ขุนตรียะมูลกะในรยเก้าหอนุจากขุนสีในภูมิใดกำลังเกิดโสตินศีในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิโสตินศีในภูมิใดกำลังเกิดจากขุนสีในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากขุนสีในภูมิใดกำลังเกิดคาณินศีในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิในภูมินั้น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 จากขุนศีกำลังเกิดแต่ปุริสินสีไม่ใช่กำลังเกิดในการมวจรภูมิในภูมินั้นจากขุนสีกำลังเกิดและปุริสินสีก็กำลังเกิดปฏิปุริสินสีในภูมิใดกำลังเกิดจากขุนสีในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากขุนสีในภูมิใดกำลังเกิดชีวิตจินศีในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิ ชีวิตินทร์สีในภูมิใดกำลังเกิดจากขุนสีในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในอสัญญาสัตวภูมิและอรูปภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรียีกำลังเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่กำลังเกิดในปันจววการภูมิในภูมินั้นชีวิตินทร์สีกำลังเกิดและจากขุนสีก็กำลังเกิดอนุจากขุนสีในภูมิใดกำลังเกิดสมณสินศีในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม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 แต่จกักข mm ุนศีไม่ใช่กำลังเกิดในปัญจโวกาภูมิในภูมินั้นอุเบกขินศีกำลังเกิดและจักขุนศีก็กำลังเกิดอนุจักขุนศีในภูมิใดกำลังเกิดสัตถินศีปัญยินรีมนินศีในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมนินรีในภูมิใดกำลังเกิดจักขุนศีในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในอรูปภูมิในภูมินั้น มนินทรียีกำลังเกิดได้จากขุนสีไม่ใช่กำลังเกิดในปัญจโวกาลภูมิในภูมินั้นมนินทรียีกำลังเกิดและจากขุนสีก็กำลังเกิดจากขุนทริยมูลกะในจบค้านินทริยมูลกะในร้อยเก้าสหอนุค้านินตรียในภูมิใด้กำลังเกิดอิทินสีปุริสินสีในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิ ปุริสินซีในภูมิใดกำลังเกิดคาเนนรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุคาเนนรีย์ในภูมิใดกำลังเกิดชีวิตินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิชีวิตินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิดคานินทรียในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นชีวิตินรีย์กำลังเกิด คานินทรีย์ไม่ใช่กําลังเกิดในกามวจรภูม anyway. <g omer French> <hall> <Campaign> ิในภูมินั้นชีวิตินทรีย์กําลังเกิดและคานินทรียก็กําลังเกิดอนุคานินทรีย์ในภูมิใดกําลังเกิดสมณสินรีย์ในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิสมณสินรียในภูมิใดกําลังเกิดคาร์นินทรีย์ในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิในภูมินั้นสมณสินรียกําลังเกิด คารนินทรีย์ไม่ใช่กําลังเกิดในการมวจรภูมิในภูมินั้นสมณสินรีย์กําลังเกิดและคารนินทรีย์ก็กําลังเกิดอนุคารนินทรีย์ในภูมิใดกําลังเกิดอุเปขิน <ées> รียในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิอุเปขินรียในภูมิใดกําลังเกิดคารนินรีย์ในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิในรูปบาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้น อุเปคินซีกำลังเกิดแต่คานินรียไม่ใช่กำลังเกิดในคามอวจรภูมิในภูมินั้นอุเปขินรียกำลังเกิดและคาเนินซีก็กำลังเกิดอนุคานินรียในภูมิใดกำลังเกิดสัตทินรีย์ปัญญินรียมะนินรียในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมะนินทรียในภูมิใดกำลังเกิดคาเนินซีในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิ ในรูปดาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นมันินทรียกําลังเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่กําลังเกิดในคามวจรภูมิในภูมนิมนั้นมันินรียกําลังเกิดและคานินรียก็กําลังเกิดคานินทรียามูลกะในจกอิทธินทรียามูลกะในร้อยเก้าสิบเจ็ดอนุอิทธินรีในภูมิใดกําลังเกิดบริสินรีย์ในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหม วิชัยปฏิปุริสินีในภูมิใดกําลังเกิดอีตินีในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิชัยีตินทรียมูลกะในจบปุริสินทรียมูลกะในร้ออนุปุริสินีในภูมิใดกําลังเกิดชีวิตินรียในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิชัยปฏิชีวิตินทรีย์ในภูมิใดกําลังเกิด ปุริสินสีในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรีย์กำลังเกิดแต่ปุริสินสีไม่ใช่กำลังเกิดในกางาวจรภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรีย์กำลังเกิดและปุริสินสีก็กำลังเกิดอนุปุรินนนสินสีในภูมิใดกำลังเกิดสมณสินสีในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิ โสมนัสสินสีในภูมิใดกำลังเกิดปุริสินสีในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิในภูมินั้นโสมนัสสินสีกำลังเกิดแต่ปุริสินสีไม่ใช่กำลังเกิดในฟามาวจรภูมิในภูมินั้นโสมนัสสินสีกำลังเกิดและปุริสินสีก็กำลังเกิดอนุปุริสินสีในภูมิใดกำลังเกิดอุเปกขินรียในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่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 จทินซีปัญยินทรียมณินทรีย์ในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมณินทรีย์ในภูมิใดกําลังเกิดปุริสินรียในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นมณินทรียกําลังเกิดแต่ปุริสินรียไม่ใช่กําลังเกิดในกลาวจรภูมิในภูมินั้นมณินทรียกําลังเกิดและปุริสินรียก็กําลังเกิด ภูริสินทรียามูลกะกาในจบชีวิตินทรียามลาูละกาในร้อยเก้าสิอนุชีวิตินทรีย์ในภูมิใด้กำลังเกิดสมนณสินรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในอาศัยจัตตาภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรีย์กำลังเกิดแต่สมนัสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดในแจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรีย์กำลังเกิด และสมุนไสนิสีข้อกำลังเกิดปฏิสมุนไสนิสีในภูมิใดกำลังเกิดชีวิตินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุชีวิตินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิดโอเปกขินสีซาทินรีปันยินรีย์มณินทรียีในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในอสัญญาสัตตภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรียีกำลังเกิดแต่มณินทรียีไม่ใช่กำลังเกิด ในเจตุวกรรมภูมิและปัญจตวกรรมภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรีกำลังเกิดและมินทรีก็กำลังเกิดปฏิมินทรีในภูมิใดกกำลังเกิดชีวิตินทรีในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ชีวิตินทรียมูลกะในจกโสมนัสสินทรียมูลกะในเป็นต้นสองร้อนุโสมนัสสินทรีในภูมิใดงกาลังเกิด อุเปกินสีจัตธินสีปันยินรีมนินร sure. ีในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมนินรีในภูมิใดกำลังเกิดโสมนสินรีในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่โสมนสินตรียะมูลกะในเป็นต้นจบอุเปกินตรียะมูลกะในสองร้อยหนึ่งอนุอุเปกินรีในภูมิใดกำลังเกิด สตินศีปัญญศีมนินทรียในภูมินั้นก็ก <MANDARIN> ําลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมณินทรีในภูมิใดกําลังเกิดอุเบกินรีในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่อุเบกินทรียะมูลกะในจบสตถินทรียะมูลกะในสองอสองอนุสัตถินรีในภูมิใดกําลังเกิดปัญญศีในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิ ปัญญีย์ในภูมิใดกำลังเกิดสัจตินรียีในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุสัจตินรียีในภูมิใดกำลังเกิดมนิณีสีในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมนณีสีในภูมิใดกำลังเกิดสัจตินีสีในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่สัจตินทรียะมูลกะในจบปัญญทรียะมูลกะในสอง้อยสาม อนุปันยินรียในภูมิใดกำลังเกิดมนณีสีในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมนณีสีในภูมิใดกำลังเกิดปันยินรียในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปันยินทรียญมูลกะไหนจบ บุคคลโอกาสจากขุนทรียะมูลกะใน204อนุจกขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดโสตินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจักขรเกิดได้โสตะเกิดไม่ได้กำเนอุบัติจกขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่โสตินรีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขรและโสตะเกิดได้กำเนอุบัติ จากขุนศีของบุคคลเหล่าน <lou. S 2> ั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและโสตินรีข้อกำลังเกิดปฏิโสตินทรีของบุคคลใดในภูม uh uh <tiế ng> ิใดกำลังเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นข้อกำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีโสตะเกิดได้จากขู่เกิดไม่ได้กำเนาอุบัติโสตินทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่จากขุนศีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีโสแต่ละจากขู่เกิดได้กำเนาอุบัติ โสตินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและจากขุนศีก็กําลังเกิดอนุจากขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดคาณินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจากขัเกิดได้คาณะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่คานินสีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจากหัวและคาณะเกิดได้กําลังอุบัติ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 พาณิชย์ศีของบุคคลเหล่าน ok well really ั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและจากขุนศีข้อกําลังเกิดอนุจากขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดอิทธินิชยของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจักขู่เกิดได้อิทธิเกิดไม่ได้กําลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่อิทธินิชยไม่เชี่ยงกลังเกิดบุคคลผู้มีจักขูและอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติ จากข e ุน <hasta> ศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและอิทธินสีก็กำลังเกิดปฏิอิทธินสีของบุคคลใดในภูมิใดายกำลังเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้จากขู่เกิดไม่ได้กำลังอุบัติอิทธินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่จากขุนศีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิและจากขู่เกิดได้กำลังอุบัติ อิทธิ์สีของบุคค well e ลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและจากขุนสีก็กำลังเกิดอนุจาขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดปุริสิทธสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจากขุเกิดได้ปุริชาเกิดไม่ได้กำลังอุบัติจากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่ปุริสิทธสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจากขุและปุริชาเกิดได้กำลังอุบัติ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 ชีวิตินทร์ส no ีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจักรกเกิดได้กําลังอุบัติชีวิตินทร์สของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและจากขุนสีก็กําลังเกิดอนุจากขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดสมณสินทร์สีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจักรก่อเกิดได้แต่มีฉิพปราศจากโสมณ์กําลังอุบัติ จากขุนศีของบุคคลเหล the own, way no WAY. ่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่สมณสินศีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักผุเกิดได้ได้มีชิพเป็นสมณ์กำลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและสมณสินศีข้อกำลังเกิดปฏิโสมณสินศีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็อกำลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุ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 ปฏิอุเปขินสีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจิตเป็นอุเบกขาและมีจักขู่เกิดไม่ได้กำลังอุบัติอุเปขินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจิตเป็นอุเบกขาและมีจักขูเกิดได้กำลังอุบัติอุเปขินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและจากขุนสีก็กําลังเกิด อนุจากขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดสัตตินศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจักขึ้เกิดได้แต่เป็นอเหตุถูกะกําลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่สัตทินศีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจักขึ้เกิดได้และเป็นสเหตุถูกะกําลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและสัตตินรียก็กําลังเกิด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 อนุจะขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดปัญญีศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจักขวบเกิดได้แต่เป็นญานวิปยุคกําลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่ปัญญีศีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจักขวบเกิดได้และเป็นญานสัมปยุคกําลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและปัญินีศีข้อกาลังเกิด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 อนุจากขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดมนณีศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมนณีศีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจิตเกิดได้จากขุเกิดไม่ได้กําลังอุบัติมนณีศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่กําลังเกิด บุคคลผู้มีจกักรขวเกิดได้กําลังอุบัติมนิณีศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและจกักขุนศีข้อกําลังเกิดจากขุนทรียะมูลกะในจบคานินทรียะมูลกะในสองร้อยห้านินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดอิทธินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีคานะเกิดได้อิทธิเกิดไม่ได้กําลังอุองบัติ คานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่อิทธินรีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะและอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติคานินซียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและอิทธินรีก็กำลังเกิดปฏิอิทธินรียของบุคคลใดในภูมิใดายกำลังเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้คานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติ อิถิินีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีอิถิและคานะเกิดได้กำลังอุบัติอิถิินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและคาเนนรีก็กําลังเกิดอนุคาเนนสียของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดปุริสินสีของบุคลบบคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีคานะเกิดได้ปุริสักเกิดไม่ได้กําลังอุบัติ คานินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่ปุริสินรียไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะและปุริสัจเกิดได้กำลังอุบัติคานินซียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและปุริสินรียก็กำลังเกิดปฏิปุริสินรียของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดคานินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีปุริสัจเกิดได้คานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติ ปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่คานินรียไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีปุริสะและคาณะเกิดได้กำลังอุบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและคาณินทรียก็กำลังเกิดอนุคานินรียของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดชีวิตินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิชีวิตินทรียของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิด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 สมมตสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีคานะเกิดได้แต่มิจิต ป, ปราจเจาาสมมติ ก, กำลังอุบัติคานินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่สมมติสินสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้และมีจิตเป็นสมมติ ก, กำลังอุบัติคานินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นกาลังเกิดและสมมติสินสีก็กาลังเกิดปฏิ สมนณสินสีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจิตเป็นสมนัตแต่มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติสมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นสมนัตและคานะเกิดไต้กำลังอุบัติสมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและคานินทรีย์ก็กำลังเกิด อนุคานินทรียของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดอุเบกินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีคาณะเกิดได้แต่มิจิตปราศจากอุเบกขากําลังอุบัติคาเนนซียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่อุเบกินรีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีคาณะเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขากําลังอุบัติคานินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิด และอุเบกขินรีข้อกำลังเกิดปฏิอุเบกขินรีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดคานินสียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจิตเป็นอุเบกขาและมีคาณะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติอุเบกขินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่คานินสียไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจิตเป็นอุเบกขาและมีคาณะเกิดได้กำลังอุบัติ ภูเบคินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและคานินทรียก็กําลังเกิดอนุคาินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดสัตทินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีคานะเกิดได้แต่เป็นอเหตุถูกะกําลังอุบัติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่สัตทินรียไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้และเป็นสเหตุถูกะกําลังอุบัติ คาเนนซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและสัตวินรียก็กําลังเกิดปฏิสัตวินซีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดคาเนนซีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นเหตุถกะแต่มีคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติสัตวินซียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่คาเนนซีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้เป็นเหตุกะและมีคานะเกิดได้กําลังอุบัติ ชาตินยสของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและคานินทรียก็กําลังเกิดอนุคานินทรียของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดปัญญินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีคานะเกิดได้แต่เป็นญาณวิปยุสกําลังอุบัติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่ปัญญินทรีย์ไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้และเป็นญาณสัมปยุสกําลังอุบัติ คานินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและปัญญินรียก็กําลังเกิดปฏิปัญินรียของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดคานินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุตแต่มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติปัญญินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่คาณินทรีย์ไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุตและมีคานะเกิดได้กำลังอุบัติ ปานินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและคานินทรียข้อกำลังเกิดอนุคานินทรียของบุคคลใดในภูมิใดายกำลังเกิดมนินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็อกำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมนินทรียของบุคคลใดในภูมิใดายกำลังเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็อกำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจิตเกิดได้คาณะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติ มณีนิรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกาลังเกิดแต่คานินทรียไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคาณะเกิดได้กำลังอุบัติมณอนิรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและคานินทรียก็กำลังเกิดคานินทริยมูลกะในจบอิทินทริยมูลกะในสองร้อยหกอนุอิทินรีของบุคคลใดในภูมิดกําลังเกิด ปุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิปุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดอิทธินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิไม่ใช่อนุอิทถินสีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดชีวิตินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิชีวิตินสีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิด อิทธินีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติท่วิตินีของบุคคลนั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่อิทธินีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติท่วิตินีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและอิทธินีข้อกาลังเกิดอนุอิทธินีของบุคคลใดในภูมิดาําลังเกิด สมณ <120. S 1> สินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้แต่มิจิตปราศจากสมนณกำลังอุบัติอิทธินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่สมณสินสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้และมิจิตเป็นสมนณกำลังอุบัติอิทธินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและสมณสินสีก็กำลังเกิดปฏิ สมณสินสีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดอิทธิสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ก <acceso> ําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้แต่มีจิตเป็นสมณ์กําลังอุบัติสมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่อิทธิสีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้แต่มีจิตเป็นสมณ์กําลังอุบัติสมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิด แ ล, และ oh อิทธิน so it, uh. term, ิีก็กำลังเกิดอนุอิทธินิีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดอุเบกขินิสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้แต่ม่จิตปราศจากอุเบกขากำลังอุบัติอิทธินิีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่อุเบกขินิสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้และมิจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติ อิทินิสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและอุเบกินรีก็กำลังเกิดปฏิอุเบกินสีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดอิทินิสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีอิทิเกิดไม่ได้แต่มีจิตเป็นอุเบกขากำลัอุบัติอุเบกินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่อิทธินิสีไม่ใช่กำลังเกิด บุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติอุเบกินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและอิทธ <akin contexto> ินส <im> ีก็กำลังเกิดอนุอิทธินรีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดสัตทินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้แต่เป็นอเหตุตกะกำลังอุบัติอิทธินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่สัตทินรียไม่ใช่กำลังเกิด บุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้และเป็นสเหตุุกะกำลังอุบัติอิทธินีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและสัทธินีก็กำลังเกิดปฏิสัทธินีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดอิทธินีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นสเหตุุกะแต่มีอิทธิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติสัทธินีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่อิทธินีไม่ใช่กำลังเกิด บุคคลผู้เป็นเสหตุปะและมีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติสัตทินทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและอิทธินทรีข้อกำลังเกิดอนุอิทธินทรีของบุคคลใดในภูมิใดายกำลังเกิดปัญญินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็อกำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้แต่เป็นญานวิปยุต์กำลังอุบัติอิทธินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่ปัญญินทรียไม่ใช่กำลังเกิด บุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้และเป็นญาณสัมปยุกกำลังอุบัติอิทธินิีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและปัญญินรียก็กำลังเกิดปฏิปัญญินรียของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดอิทธินิีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุตแต่มีอิทธิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติปัญญินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่อิทธินิีไม่ใช่กำลังเกิด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 บุคคลผู้มีอิเกิดได้อิทธิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติมนณีศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่อิถิศีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติมนรียีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและอิถิศีข้อกำลังเกิดอิถินทรรยะมูลกะในจบปุริสินทุิยะมูลกะในสอง้อยเจ็ดอนุ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 บุคคลผู้มีปร h, ุริชาเกิดได้กำลังอุบัติชีวิตสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและปุริสินรียก็กำลังเกิดอนุปุริสินรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดสมณสินรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีปุริชาเกิดได้แต่มิจิตปราศจากสมณ์กำลังอุบัติปุริสินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิด แต่สมณสินส like ีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีปุริสะเกิดได้และมีจิตเป็นสมณ์กำลังอุบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและสมณสินสีก็กำลังเกิดปฏิสมณสินสีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีปุริสะเกิดไม่ได้แต่มีจิตเป็นสมณ์กำลังอุบัติ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 <คล>บุคคลผู้มีปุริสะเกิดไม่ได้แต่มิจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติอุเปขินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่ปุริสินสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีปุริสะเกิดได้และมิจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติอุเปขินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและปุริสินสกีก็กำลังเกิดอนุปุริสินสีของบุคคลใดในภูมิ ใ, มใดายกำลังเกิด จัตินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีปุริสะเกิดได้แต่เป็นอะเหตุุกะกําลังอุบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่สัตทินสีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีปุริสะเกิดได้และเป็นอะเหตุุกะกําลังอุบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและสัตทินสีก็กําลังเกิดปฏิสัตทินสีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิด ปุริสินซีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นเสห์ุกะแต่มีปุริสะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติสัทินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่ปุริสินซีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นเสห์ทุกะและมีปุริสะเกิดได้กำลังอุบัติสัตินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและปุริสินซีก็กำลังเกิดอนุ ปุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดปัญญินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีปุริสะเกิดได้แต่เป็นญาณวิปยุคกำลังอุบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่ปัญญินรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีปุริสะเกิดได้และเป็นญาณสัมปยุตคกำลังอุบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและปัญญินทรียก็กำลังเกิด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 แต่ปุริสินสีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีปุริสะเกิดได้กําลังอุบัติมนิณีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและปุริสินสีก็กําลังเกิดปุริสินทริยะมูลกะในจบ